ความผิดหวังกับความทุกข์เน่ยจึงมาเป็นของคู่กันนะ <Yeah. S 1> แล้วทีนี้ว่าอย่าง <Yeah. S 1> เช่นเรื่องความรักเนี่ย <Yeah. S 1> มีคนบางคน <c oughs> มาปรึกษาปัญหาเพราะว่าเขาผิดหวังเรื่องความรัก <Yeah. S 2> คือรักแล้วก็ผิดหวัง <Yeah. S 2> แล้วไอ้ความผิดหวังเหล่านั้นเนี่ยมันเกาะกินใจเรา yeah. <Yeah. S 2> ทุกวันทุกวันจะทําอะไรก็นึกถึงในเรื่อง <Yeah. S 2> ความรักที่เขาสูญเสียไป เนี่ยคือความผิดหวังคนระับก็ได้นำมาเขาว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะแรกเท่านั้นเน่ยพราะเราเกิดความหวังอะไรความหวังอะไรขึ้นมาแล้วเราก็จะยึดมั่นถึงมั่นให้ได้อย่างที่ใจหวังตอนนี้พอไม่ได้อย่าง ใ, ใจหวังเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดมันเป็นทุกข์มันมันมีอะไรสิ่งที่มันเลวร้ายหลายอย่างในจิตใจเราเพราะว่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าจะต้องให้ได้อย่างใจหวังเท่านั้นแต่เมื่อผิดหวังขึ้นมาเนี่ยก็ทำใจไม่ได้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 สลายลงไปเองการเวลาเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเราเนี่ยมันดีขึ้นเรียกว่าการเวลาบางทีมันก็รักษาแพ้ใจเราได้แต่ในช่วงที่เรารอเวลาที่รักษาแผลใจเรานั้นเราต้องมีอะไรทำต้องมีงานอะไรทำถ้าเราโม่แต่ไปนั่งคิดมัวแต่ไปนั่งทุกข์อยู่เนี่ยมันก็จะ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 เสร็จแล้วเรื่องของความทุกข์ความผิดหวังต่างๆก็จะค่อยสลายลงไปเองจากหนักกลายเป็นเบาแล้วต่อไปเราก็ทําใจได้ยิ่งคนมีการภาวนาเนี่ยก็ยิ่งได้ได้เปรียบนะนได้ดูจิตดูใจของเราเวลามันเกิดอารมณ์ที่มันไม่ดีมืนผิดหวังมันหงุดหงิดเนี่ยเราก็ได้มีสติได้รู้ทันอาจจะเกิดปัญญากับไอความผิดหวังของเราก็ได้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 เ, เมื่อเรามีความอาจจะเจอความผิดหวังก็ได้ต้องเผื่อใจไว้บ้างแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์กับความผิดหวังก็อย่าหวังถ้าหวังเมื่อไหร่ก็ต้องมีความผิดหวังเมื่อ น, นั้นเราไม่ต้องหวังอะไรเลยเพียงแต่ทำเหตุในสิ่งที่เราต้องการจะได้นั้นให้มากๆแล้วความสมหวังก็จะเกิดขึ้นในใจเราเองที่จริงไม่อยากไม่ใช่สมหวังใ น, ในใจนะความสมหวังก็จะ เกิดขึ้นเองไ่พูดในใจไม่ได้